พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่ามองเขามองเราวันนี้เป็นวันที่22 กันยายนพุทธศักราช2557วันนี้หลวงพ่อได้นัดคณะกรรมการจะตั้งเป็นมูลนิธินะวัดของเรามูลนิธิมีอยู่สองคราวนี้เป็นสามฮะทำไมมูลนิธิแรกก็คือมูลนิธิหออภิบาลสง หลวงปู่มั่นภูริทัตโตดูแลสงอาพาธไม่ใช่ทั่วประเทศนะทั่วโลกนะที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นชั้นสิบตึกสมเด็จญาในชั้นสิบเดี๋ยวนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านรัตนาะเนี่ยก็ไปนอนพักอยู่ที่นั่นแหะผู้เฒ่าอายุเกือบเก้าแปาตึกสงอาพาธ อันนี้กัหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อของสูตเจ้าไม่ใช่ธรรมดาในขนาดอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อยังไปเป็นมนูลประธานมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธอีกต่างหากแล้วก็มาที่อุดร อ, อีกหาใครไม่ได้อีกหลวงพ่อก็เลยเอา้าเอาชื่อหลวงพ่ออินเนี่ยนะมูลนิธิพระอาจา ร, รย์อินถวายสันตุสโก ดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลศูนย์อุดรดธา น, าาอออ น, านีอันนี้ก็เป็นประธานหมูนิธิดูแลพระสงฆ์ทั่วทั้งอีสานเหนือตั้งแต่บึงการหนองคายสกล น, นครนครพนมแถบนี้หนองบัวลาพูเลยแต่พระเข้ามาป่วยแล้วก็ ไม่มีสตังค์กลับบ้านไม่มีเงินรู้ว่าเจ็บใครได้ป่วยก็ใช่เนี่ยความจำเป็นให้คณะกรรมการดูแลพระสงฆ์อาพาธค่าอาวุอาหารปาณนะค่ายาอย่างขาดเหลือขาดตกดูแลพระสงฆ์อเนกรโรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็วันนี้คิดว่าจะไปชุมกันทางท่านองคมนตรี ท่านด็เตอร์ท่านจะตั้งเป็นมูลนิธิที่วัดของเราตั้งชื่อว่ามูลนิธิวิริยะณศีลวันวันนี้จะได้ไประชุมกันประมาณแปดเกมนสบโมงหลวงพ่อก็นัดกรรมการมาร่วมหารือกันแล้วก็ท่านก็ตั้งมูลนิธินี้ท่าน มีเจตนาชัดเจนอยากจะให้ประกาศเผยแผ่ธรรมะของหลวงตามหาบัวของหลวงปู่ขาวของหลวงปู่ชาอันนี้คือหลักใหญ่แล้ก็คือหลักใหญ่ทริคือทำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหะเป็นเบื้องเป็นต้นตระกูลแล้วก็หลวงตาที่เผยแพ่ธรรมะ คำคำสอนของพระเจ้าหลวงปู่ขาวแล้วก็หลวงปู่ชาแต่ว่าหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นหลวงพ่อของพวกเราเป็นของแถมพระเจ้าเป็นเจ้าของ เ, อเป็นเจ้าของที่จะดูแลมูลนิธิจะเอาเข้ามากน้อยแค่ไหนก็หลวงพ่อก็จะเป็นผู้เอาดูดูความเหมาะสมอันนี้ก็คือจะตั้งมูลนิธิ ดูแลประกาศเผยแผร่ธรรม ะ, ะท่านบอกว่าท่านจะไม่เน้นนักไม่เน้นหนักเรื่องทางเครื่องมือแพทย์หรือว่าเรื่องอย่างอื่นเรื่องปัจจัยสีอย่างอื่นท่านจะเน้นเรื่องธรรมะทำคําสอนสอนคนให้เป็นคนดีอสอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ให้คนเป็นคนดีจะจัดเป็นการประชมหรือการสัมมนาหรือลายท้ายทอดสดหรือวิทยุหรือโทรทัศน์อะไรก็ได้แต่เป็นการเผยแผร่ธรรมะอันนี้ก็คือมูลนิธิจุดประสงค์ของท่านสรุปแล้วก็คือท่านมีเจตนาอยากจะเอาธรรมะ ค, คือความถูกต้องหลักเหตุผล ที่ถูกต้องเข้าสู่จิตใจของประชาชนให้เป็นผู้มีเหตุมีผลอย่าไปเชื่อแบบงมงายอย่าไปเชื่อแบบที่ว่าไม่มีเหตุมีผลนีล่คือจุดประสงค์ของท่านแต่ในพวกเราก็จะได้เอามารวมกันเอามาพิจารณากันว่าจะใช้ยังไงปีนี้หลวงพ่อก็มองมองดูแลนะ่ะ MP3 ของหลวงตา ที่พวกเราแจกไปสิบแผ่นที่เรากันกันกรองที่พวกท่านได้คัดออกมาสนะิบแผน่นหลวงพ่อว่าน่าจะเอามาเป็นตลับตลับสักห้าตลับหตลับกี่พันกี่พันกี่พันตลับแจกในงานกระถินแต่ออกชื่อว่าสนับสนุนบริจาค เพื่อเผยแผ่ธรรมะในานามของมูลนิธิแต่ยังไม่ได้ตั้งนะแต่ประชุมวันหนึ่งแต่ก็เราก็พูดล่ว ง, วงหน้าไว้ก่อนเราจะวัดทุนนิธิก่อนก็ได้นะทุนนิธิวิริยณศิลวันสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าส่วนหนึ่งควรจะออกในานามที่ว่ามูลนิธิ พระอาจารย์อินถวายสันตุสโกดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอันนี้ก็ควรจะมี m อ3สอีกเหมือนกันออกในนามของมูลนิธิถ้าว่ามูลนิธิ น, น, นะนธี่ไม่มีผลงานะจุดนี้หะมูลนิธิไม่มีผลงานตั้งขึ้นมาโดดเดผลงานมีน้อยอันนี้ก็มูลนิธิก็ เขาจะยุบมูนิธิได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องเราบริจาคเข้าไปคือเอา้เาเผยแผ่ธรรมะมูนิธิทั้งดูแลพระสงฆ์ด้วยทั้งดูแลทางด้านจิตใจด้วยดูแลร่างกายด้วยดูแลสุขภาพใจด้วยดูแลสุขภาพจิตด้วยเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าคนจะเป็นผลงานของมูลนิธิ อันนี้จะได้ประชุมหารือกันอันนี้ก็คือประโยชน์ท่านนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายประโยชน์ตนก็อยาให้ขาดตกบกพร่องถึงจะทำแต่ประโยชน์ท่านสมบูรณ์ ป, ปีที่ไหนที่ไหนที่ไหนออกไปทำหมดรับหมดแต่ประโยชน์ตนเปล่าเปล่าประโยชนเ์เหมือนแต่เหมือนกับอะไรเหมือนกับ ก็บอกลมพัดมันดังวูวูวู๊วนะแต่ข้างในมันโคลงไงมันกวงข้างในอันนั้นก็ไม่ดีนะมันดังอพอมันลมลมพัดปากกล้องมันนะแต่สมัยก่อนลุงพ่อไปอท้องนาอยู่กลางท้องนาเนละี่ยมีเถียงนาหรือขนํนานาะเนี่ยเขาจะมีลูกน้ําเต้าลูกน้ําเต้ามันเป็น ลูกก็เหมือนกับลูกฟักเนี่ยนะลูกฟักลูกแฟงเนี่ยเป็นลูกแล้วเก็ตัดปากมันมาก็เข้าไปใส่น้ำมาทํามาน้ําให้น้ํากินแต่ถ้าหากว่าถ้าน้ําไม่มีอยู่ในในลูกน้ําเต้านั่นนะเวลาลมพัดมามันจะดังวูวูผมมันมันอยู่เถียงนาใช่ไหมต้องหาอะไรไปปิดปากมัน มันเสียงดังถ้าหาว่ามันน้ําเต็มเนละมันจะไม่เสียงไม่มีเสียงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนะเขาบอกมีเสียงโด่งดังนะพวกเราจะให้ดูดูนะว่ามันดังเพราะลมหรือเปล่าเอมันไม่มีไม่มีน้ําหรือเปล่าถ้ามีน้ํำนะ่ะมันจะไม่ดังฮะอันนี้เราก็ต้องดูอีกเหมือนกันอืดูให้มีน้ําด้วยแล้วก็ให้ดังด้วย ประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นเราก็ช่วยทำช่วยคิดนี่แหละถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นนะเลิศประเสริฐมีแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ดีเลิศประเสริฐแต่ประโยชน์คนอื่นขาดตกบกพร่องก็โลกทั้งหลายเขาก็ตํานิแต่ว่าตัดช่องน้อยแต่คนเดียวก็ดีแล้วก็จบจไปเลยแต่ตาหากว่าได้ทั้งสองะได้ทั้งสองอย่าง ก็ดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าไปมุ่งหวังอย่าไปนเน้นหนักเรื่องทางโลกอย่างเดียวแล้วก็เน้นให้เน้นหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยเพราะในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เน้นหนักถ้าเราศึกษาให้ถี่ท่วนดูแล้วนะ ท่านให้เน้นหนักถึงเรื่องของใจใจคือนามธรรมนามธรรมตรงนี้แหละให้ค้นคว้าศึกษาให้ศึกษาเรื่องนามธรรมการเคลื่อนไหวของจิตใจเพราะใจตัวนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยต้องดูควบคมุมดูแลหัวหน้าถ้าหัวหน้า ไม่ดีหัวหน้าเป๋หัวหน้าเป็นนักเลงหัวหน้าเป็นอันตรพาหัวหน้าชั่วสรุปแล้วหัวหน้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะมันมีชั่วคาว่าชั่วคำนี้คือความหายยนะจะเข้ามาสู่หัวหน้าจากนั้นก็สู่ลูกน้องบริวารพอหญ่เพราะ ห, าหัวหน้าหัวหน้าไม่ดีเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนท่านจึงเอาศีลธรรม ให้หัวหน้าเป็นผู้ยึดเอาคุณธรรมสมาธิธรรมปัญญาสัมมาทิฏฐิเข้าไปให้หัวหน้าใ ห, ให้หัวหน้าคือใจเป็นผู้ยึดเป็นแนวปฏิบัติถ้าหัวหน้าเป็นศีลเป็นธรรมทันั้นทุกอย่างนี่ดีหมดมันจะพอดีมันจะไม่กระโดกกระเดกมันจะพอดี มัจฉิมาเดินสายกลางเดินสายตรงดูดูแล้วก็ไปเข้าอยู่นาสถานที่ใดไปนาสถานที่ใดจะสวยงามถูกต้องเป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะหาได้ที่ไหนเราก็นอกจากใจของเราตนเองนอกจากศิลธรรมเข้ามาเป็นกระจกเงาเอาศิลธรรมเข้ามาเป็นกระจกเงาเข้ามาเป็นเครื่องวัด เ, เข้ามา สู่จิตใจถ้าว่าเราเอาของหืออย่างอื่นเข้ามาประดับเอาความโลภเข้ามาประดับเอาความโกรธเข้ามาประดับจิตประดับใจนะมันมีแต่ไปทางหายนะนจะหาเงินคาทรัพย์สมบัติเข้ามาสู่มากๆโลภไปเห็นใครก็โกรธโมโหโกธาไปอยากจะได้อำนาจในเมื่อเราทำอย่างนั้นเข้ามา ในเมื่อเขามาจิตใจของเราเป็นยังไงมันมีแต่ความเดือดร้อนนะถ้าเอาธรรมเข้ามาสู่จิตใจแล้วนะก็ เ, เอาเหตุเอาผลเอาความถูกต้อง เ, อเข้ามาสู่จิตใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขก่อนที่จะเอาความถูกต้องเข้ามาสู่จิตใจอย่างนั้นทำได้อย่างไงทำอย่างไงนี่แหละในหลักธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัให้ดูเจ้าของให้เบิ่งเจ้าของ ให้มองเจ้าของมองยังไงมองเจ้าของดูใจนะแต่นี่ใจดูใจให้มีให้มีสติสัมปชัญญะในใจเดี๋ยวนี้เราคิดผิดเราคิดถูกเราทำถูกแล้วเราทำผิดเราพูดถูกแล้วเราพูดผิดอันนี้คือดูดูดูตัวเองแนะแต่นีถ้าดูตัวเองแล้วก็เอาหลักธรรมะทำคำสอนออกมาเปรียบเทียบ เขาว่าคิดถูกนะคิดยังไงอคิดไม่คิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่คิดไม่พยาบาทปลองไล่เข า, เ, าเห็นถูกตามทํานองครองทำเขาว่าเห็นถูกตามทํานองครองทำในกว้างขวางอะศึกษาอะไรทํานองครองทำนั่นคืออะไรศินห้าเนี่ยก็คือทํานองครองทำอจะคิด จากนั้น ก, นการกระทำออกไปทางกายเป็นยังไงกับมีศีลห้าเยเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแล้วก็การพูดกับสัมมาวาจาพูดยังไงจึงจะถูกต้องนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมันโยงใหญ่ถึงหากันมันโยงหากันโยงใหญ่หากันทั้งหมด พูดเข้าไปมันก็โยงไปขนานโยงมันโยงผลในสุดเข้ามาสู่ใจอย่างเก่านะไม่หนีจากใจใจเป็นหัวหน้าอีกอย่างเก่าถ้าหาว่าไม่มีใจเป็นผู้นึกผู้คิดแล้วก็มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นให้สรุปแล้วก็คือให้มีธรรมะอยู่ในจิตในใจให้ดูเจ้าของเบิงเจ้าของอย่าหลงเจ้าของอันนี้แหละเลิศประเสริฐที่สุดอยู่ในสถานที่ใด ออย่าหลงตัวเองให้เอาธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไว้ถ้ามีคนมีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วไปอยู่นะัสถานที่ใดลมเย็นเป็นสุขทั้งหมดพี่น้องจัดทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต่อเ น, นื่อไปวันนี้ให้แนวความคิดอแนวหนึ่งอว่าวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับมูลนิธิมูลนิธิขึ้นมาอย่างไรนี่ย หลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแนละ้วมีมีประโยชน์อย่างไรมีความเอือ้อเฟื้อเอือเอ้ออารียมีความเป็นยังไงให้ใครสรุปเลยคือให้ผลประโยชน์ต่อพวกเราทุกๆคนทุกทุกคนทุกๆท่านคือให้ธรรมะทำมูลนิธิเขาวนี้จะให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจถ้าให้อย่างอื่น ให้วัตถุอย่างอื่นมันกินแล้วแล้วไปมันหมดถ้าให้ธรรมะเนี่ยเข้าสู่จิตใจเนี่ยให้หลักเหตุผลเข้าสู่จิตใจให้สัมมาทิฏฐิเข้าสู่จิตใจกินไม่หมดนะกินไม่หมดนะคิดไปเท่าไหร่ทำไปเท่าไหร่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ม, มีแต่ความผาสุก